Book 2ห้าสิบยที่สะว่ายน้ำนาคูปาลิสโกวันนี้อากาศร้อนเเรเราไปสะว่ายน้ากันไหมอิเยเมนาคู i าลส ko คุณอยากไปไว่ายน้ำไหมมาชคุยอิสเปลวัดคุณมีผ้าเช็ดตัวไหมมาชอุจิรักคุณมีกางเกงว่ายน้ำไหมมาชเปลาคิคุณมีชุดว่ายน้ำไหมมาชเปลาคิคุณว่ายน้ำได้ไหม คุณดำน้ำเป็นไหมคุณกระโดดในน้ำเป็นไหมวิดวด่งอาบน้ำได้ที่ไหนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนที่บส